ชาวิตัชนาธรรมกับท่านหลวงตาณนระงค์สักดิขีนานโยตอนจา ก, จากวิกฤติแห่งมรณาสู่ธรรมานุธรรมะปัตติบัตติเพื่อจะจะเรียนถามเรือเรือคนอื่นด้วยสตนใจนะครับเผื่อตัวเองด้วยเพราะว่าระยะชีวิตมันจะถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพือ่ออยากรู้ว่า กรณีของคนที่ยังยังปฏิบัติธรรมไปได้ไม่ถึงไม่ถึงที่สุดของปลายทางครับแล้วจำเป็นต้องตายเขาเขาวางหลักใจของชีวิตยังไงที่สามารถตกกระไดพอยกระจวนแล้วถึงพระนิพพานได้เลยโดยที่มีเวลานิดเดียวโหยากแบบนั้นแหละ ทำไมเคยพิจารณาประการยากยากยากมันต้องเคยพิจารณาสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงแก่เจ็บตายหน้าเปื่อยผุพังสลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้ที่ว่างเปล่าหาตัวตนไม่มีมันต้องพิจารณามาซ้ำซ้ๆๆ้ำซ้ำซำซำมาจนเรียกว่าชำนาญมากแล้วไอ้ตอนนั้นมันไม่มีเวลาแล้วพอ พินา ม, มาบ้างบ้างคมันก็ตกก็ได้พ่อยโจรเนอนี่งนะว่าีพินา ม, มาสังขารไม่เที่ยงว่าแล้วสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงแล ก, ก็ปล่อยวางตอ น, นั้นแหะเพก็ะได้พ่อยโจรเลยแต่ถ้าไม่เคยพินา ม, มาก่อนนอะไม่ได้ยากจากแล้วเราพอจะช่วยอะไรคนพวกนี้ได้บ้างไหมครับต่างต่าถ้ายังไม่ เขาภาวนามาถ้าเขาภาวนามาบ้างแล้วปฏิบัติมาบ้างแล้วแต่เขายังปล่อยวางอะไรไม่ได้สิ่งที่ดีสุดก็คือให้นึกถึงพระพุทธธรมประสงค์รวมลงไว้ที่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็บอกเขาให้เขานําล่องอะไรเขภาวนาไว้ถ้าเขาเคยภาวนามาก่อนเขาก็จะนึกได้ถ้าจิตเขาติดกับพุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธดับไปคาพุทโธเนี่ย ไย่างดีเขาก็ยังไม่ไปอบายไปสวรรค์ยังไม่ตกไปอบายไปเป็นตกตเดชานเปรตอสุรการจัตว ล, ลกก็ยังไปสวรรค์ได้แต่ระหว่างนั้นน่ะถ้าเขาปฏิกรรมยังไม่ชํานาญน่ะมันมีอยู่ในเรื่องไหนที่เทศไปสามตอนพิภิกฤจเป็นโอกาสอ่ะมีคนที่มันจะตายที่มีคนนึงที่จะตายอ่ะที่เขาเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เป็นโรคโรคโรคเลือดด้วย รบเลือดจางด้วยแล้วตอนนี้เขาจะตายเขาบอกมันทรมานแสนสาหัสตอนนี้เขาก็ฝึกภาวนาพุโทโธพุทโธมาแล้วเนี่ยแต่เพิ่งตอนนั้นนี่ยมันสู้ไม่ไหวมันสู้ความเจ็บปวดทุกทรมานไม่ไหวมันจคนยิงน่งขนกลัวตายบวกเข้ามาด้วยมันภาวนาไม่ไหวมันจะทรมานโจกระตั้งอะไรคำมันจะร้องแต่โอยอยโอยโอยโอยเหมือนจะไม่พุโทธโธพุทโธพุทโธ ต้องฝึกมาจนชานาญบางท่านก็บอกว่าให้เข้าชานหนีเข้าชานหนีแต่คนต้องเข้าชํานาญมากเลยเข้าชานส่งชานออกชานสลับชานเนี่ยมันต้องเข้าชํานาญมากตอนที่จะดับปิดจริงๆแล้วเข้าชานหนีไปก็คือไปเกิดจะเป็นลูกของพมอะรลูกพรงมแต่ก็ไปค้างต่งนานมากแต่พวกนี้ก็ไม่ได้ว่าที่จะหลอดพนจากอบายได้ตาจาก ไม่ว่าจะเป็นเทวดาถึงขั้นลู่พรมลู่พรมก็ไปนรกได้ไปเป็นไปตกอบายได้หมดเพราะว่ายังไม่บรรลุโสดาบันยังไม่ได้เป็นวิปัสนาหรือโปงปล่อยวางสังขารร่างกายตัวร่างกายจิตใจของตนเองดังั้นสำคัญที่สุดคือการฝึกหัดโปงปล่อยวางสังขารร่างกายจิตใจของตัวเองเอยู่ตลอดเวลาจะตกกระไดพลอยโจนได้แต่ถ้ามันได้โป่งซะก่อนก่อนที่จะตาย อ, นนอันนี้มันอันเั็นประสบสุดนะ องมันได้ก่อนปกติคือคือสมมติว่าจิตสุดท้ายพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจนกระทั่งมันมันสว่างมันว่างไงครับแต่แต่ที่ผมสงสัยคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์อะ่ะมันจะให้พวกพวกมอฟีนหรือว่าให้ยาบางตัวเพื่อลดทุกขเวทนาของคนไข้ แต่สิ่งที่คนไข้เขาจะต้องเป็นสภาวะตรงนั้นก็คือจิตจะเริ่มเบลออ่อนกำลังอันนี้จะเสียหายจะเสียหายคนไข้จะขาดสติแสดงว่าวิธีการตรงนี้ของหมอก็ก็ไม่ใช่การส่งพดภูมิที่ที่ควรก็ช่วยหายทุกทรมานมากเพราะว่ามันก็ปวดเจ็บปวดจนทุกทรมานมาก เจ็ปวดจนทุกทรมานแสนสาหัสก็ต้องให้มอฟีไปก่อนเลยเพราะว่าตอนเจ็บปวดขนาด น, นั้นนะมันก็อภาวนามันก็ภาวนามไม่ได้แต่แตอ่อยากทราบว่าถ้าคนไข้ต้องตายในสภาพที่เดิมแบบนั้นนะครับหมอแค่ขาดสติมัก็แย่เลยนะเอาจะบัปปไปตามบุญตาบาปเลยคือถ้าทํำบุญเยอะก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นสูงบ้างใช่ใช่คือใจใจเป็นบุญมา ก, ก่อนนะ ไม่ไม่ได้ทําบาปคือบาปมีกะลจะจนหมดแล้วหรือกระจายที่เป็นบุญเขาเป็นเป็นโดยอันนี้มันเป็นเองโดยไม่ต้องมาทำตอนตายคืออันนั้นเป็นลุ้นความน่าจะเป็นเอาเลยว่าสัด ส, ส่วนของบุญบาปที่ทำมาทั้งชีวิตใช่ใช่แต่ความจริงเนี่ยมันคือให้ยากแก้ปวดอะโมฟีเนี่ยมันก็ให้ตอนที่ปวดตอนปวดอให้ได้ เพราะว่าเวลาที่ท่ทาถขันมันแตกแล้วเนี่ยมันจะมชีช่วงเวลาช่วงขนาดหนึ่งตอนนั้นเนี่ยร่างกายไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกแหะไอ้ตอนนั้นก็คงไม่ต้องให้หมอฟีกนะเพราะว่าแต่มันจะมันจะมันยาเราไม่รู้แม้ว่าฤทธิ์ยาเนี่ยหลังจากที่ท่าถขานแตกหมดแล้วแล้วไอ้ร่างกายไม่ตอบสนองแต่ความเจ็บปวดแล้วเนี่ยฤทธิ์ยามันยังมีอยู่ไม่ทําให้สลืมสลือไหม้าหมอเก่งๆเนี่ยคือ กะให้มันแค่ฤทธิ์ยามันหมดแค่แค่ตอนปวดแล้วก็ไอตอนที่ร่างกายไม่ตอบสนองแต่ความเจ็บปวดแล้วเนี่ยเพราะมันหมดมันหมดแล้วร่างกายทัดขันมันแตกทัดแตกหมดแล้วแ ต, แต่ขันยังไม่ดับตอนนั้นก็ปล่อยให้รู้สึกตัวไว้ยังสามารถที่จะภาวนาหรือว่าพิจารณาถึงกรรมฐานของที่ตัวเองทําไว้ในขั้นไหนได้แต่ตอนปวดปวดเนี่ยแม้แต่กรรม ขนาดนักกรรมฐานเก่งๆก็ยังยสู้ไม่ไหวนะเพราะว่าผุดลุกผุดตั้งผุดยืนผุดลุกผุ ด, ดตั้งผุดเดินมันปวดทรมานจนโอ้หทุรนทุรไลทุก อ, อ่างแต่มันจะบสักชั่วโมงเนี่ยไฟธาตุในร่างกายมันแตกหมดธาตุนั่งแตกหมดเลยแล้วก็หมดความไม่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดเลยแล้วก็จะมาเหลือประมาณเหลือเวลาสักประมาณสิบนาที คนไข้ตอนน้นถ้าไม่มียาถ้าไม่มียากอมประสาทไว้ตอนนั้นเน่ยคนไข้จะมีสติสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะถ้าไม่มีเสล็ดพันคอนะแล้วก็คนไข้ก็อยู่ในทางที่พูดได้ก็จะพูดได้อยู่พูดได้แล้วก็ไม่ปวดแล้วไม่ไม่ปวดไม่ทุรนทุรายแล้วลนว่ยเราอยู่แต่หน้าคนไข้ที่กำลังจะตายแบบเนี้ยเราเคยเห็นตอนหน้าสถานอะไรยคนแล้วก็พอธาตาดมันแตกหมดแล้วเขาไม่ไม่ไม่ตอบสนองจากความเจ็บปวดแล้วก็ก็ ตอนนั้นเขาก็ไปกลัวตายแหละเขาก็จานะบอกได้บอกว่าเนี่ยอย้จีจียงอดีตพ่อตาเราท่า น, า น, าานาก็บอกได้ว่าไอ้จีตามารับกูแล้วไอ้จีตา מר ับกูแล้วต่นก็บอกได้ว่ามีเข า, ารับแล้วแต่ทาก็ไปกลัวตายทล้วก็หันมาว่าเอออย่าต้องพุโทนี้เรื่ยไหมเพราะ้อพุโทติดจิตแล้วไงก็บอกพุโทเลือยไปเลยแต่ก็พูโทพโทพูโทพูโทบอกว่า๋ย่พูโทรแรง ตัวในใจก็ได้มันเหนื่อยท่านก็พุทโธในใจไม่กี่ทีก็ตายไปเลยตายทั้งทั้การพุทโธคือคืปกติสมมุติว่าบางบางคนพุทโธไปก็รู้ตัวไปว่ากายเราไม่มีใจเราไม่มีกายเราไม่มีใจเราไม่มีหรือว่าเปลี่ยนคําบริกรรมจากพุทโธมาเป็นว่ากายไม่มีใจไม่มีกายไม่มีใจไม่มีอย่างนี้ยครับ มันเป็นการวิปัสนาวินาทีสุดท้ายก่อนตายเงี้ยครับหลวงตามันจะมีประโยชน์อะไรไหมครับถ้าเทียมกับว่าพุทโธอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีวิปัสนาเลยก็อยู่ท right ี่ข้านี้มันมันฝึกฝนมาไงํานาญชํานานด้านไหนครับก็ฝึกฝนในการปล่อยวางเห็นสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงก็พิจาณาตอนนั้นเลยก็คือเปลี่ยนคําภาวนาเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงหรือดับไม่เหลือ ดับนิทมีส่วนเหลืก็ได้ครับก็คือไม่เอาแล้วกายไม่เอาใจไม่เอากายไม่เอาใจไม่เอาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือดับสนิทไม่มีส่วนเหลือหรือว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงดับสนิทไม่มีส่วนเหลือก็ได้คดับความเป็นตัวตนดับกิเลสดับความเป็นตัวตนดับภพชาติดับสนิทไม่มีส่วนเหลือคือคือที่ประสบการณ์ของตัวเองครับหลวงตาคือคือตอนนั้นผม พอสวนหัวใจเสร็จแล้วพอเข้าห้องไอซูเนี่ยครับแล้วไปแพ้ยาสวนหัวใจแต่คราวนี้ร่างกายมันมันเหมือนมันมันแผ่วไปเองแล้วผมก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธแล้วมันก็ก็โลงว่างสว่างสงบเนี่ยครับแต่ไม่ได้รู้ว่าตอนนั้นคือตัวเองกำลังจะตายแล้วก็ไม่มีทุกขเวทนาอะไรเลยแค่แค่พุโทโธไปเรื่อยๆครับ เสร็จ แ, แล้วพอพอมันก็นิ่งว่างอยู่สักพักใหญ่ๆครับก็ ก, ก็รู้สึกตัวกลับขึ้นมาก็ทั้งหมดเขาบอกตายตายตอนนั้นแล้วไอ้พวรู้สึกตัวมันดับไปเลยเนี่ยตอที่มันพุโทโธพุทโธแล้วมันนิ่งว่างสว่างสงบนเนี่ยก็จะไปสวัรคีไปไปพรหมไปไม่ถึงรพรหมอะลมมันต้องเข้าฌาน<อ>ไปสวัสดีจันเทวโลก ซ, ซึ่งคําถามผมที่สงสัยก็คือถ้าเราไปรูปแบบนั้นเนี่ยเราไปปฏิบัติต่อได้ใช่ไหมครับ ก็เขาก็มาฟังทำกันนะปูณิฯเก็มาฟังทำกันได้เนี่ยเราสแสดงทำเขาก็มาฟังทำกันได้แล้วการบรรลุธรรมของพวกเขาในในชั้นของตรงเยอะตอนสมัยพุทธกาลนี่ก็เทวดาม า, มาฟังทำแล้วก็บรรลุอลหรหันเยอะกว่ามนุษย์เยอะแต่ขันของเขามันไม่ครบให้นะครับอาจารย์แต่เขาก็เขาก็ฝึกขาดวงปล่อยวางมาแนละ้วเขาสามารถปล่อยวางที่จิตได้เลย เ, เขาก็ไปทําตัวตัวจิตานุปัสสนาใช่ใช่แล้วก็ทิ้งตัวจิตกักบะเพนารังค์อภินเิเษยอะไรที่ไปเท่าสภาวะธรรมตรงนั้นใช่ใชออก็ปล่อยวางหมดไยสภาวะธรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจิตปล่อยวางหมดเลยตลอดเวลาไม่มีไม่มีเข้าไปจิตมั่นถรือมั่นอะไรเลยคือปล่อยวางทั้งอาการที่ถูกรู้แล้วปล่อยวางทั้งผู้รู้โอ้เห็นว่าผู้รู้ก็เป็นอาการอาการของผู้รู้ไปรู้อาการของจิตทุกชนิด รู้อยู่แต่ไม่ยึดอะไรเลยไม่ยึดทั้งอาการที่ถูกรู้แล้วไม่ยึดทั้งผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอย่างนี้ไอตัวที่บอกว่าพบผู้รู้ให้ทาลายผู้รู้ที่ของหลวงปู่ดุล น, นะครับ ม, มันมันยังไงครับตาก็หมายถึงว่าไอผู้รู้เนี่ยพี่กับอาการที่ถูกรู้มันต้องคู่กันไปตลอด ตลอดเวลาถ้าถ้าทิ้งผู้รู้ไปมันก็เท่ากับหลงก็คือไม่รู้แต่ไม่ยึดเอาอาการที่ถูกรู้กับยึดผู้รู้เนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็น ต, ตัวตนของเราหเห็นว่าทั้ง อ, อาการที่ถูกรู้และอาการของผู้รู้ก็เป็นอาการเหมือนกันเป็นสังขารไม่เที่ยงเหมือนกันสังขาร Ctrl ไม่เที่ยงแต่อาศัยเป็นเครื่องระลึกรู้กันไว้แล้วก็ไม่ยึดทั้งอาการที่ถูกรู้แล้วก็อาการของผู้รู้เพราะว่ามัน มันเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงไปกันทั้งคู่แต่ก็อาศัยรู้กันไว้อย่างนี้เรื่อยไปแต่ใจไม่เข้าไปยึดว่าอาการที่ถูกรู้ละอาการของผู้ที่รู้ทุกขณะจิตปัจจุบันทุกคิดทุกอาการที่ถูกรู้เนี่ยรวมทั้งอาการที่ไปรู้เนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงแค่สังขารที่ไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเป็นสิ่งปูกแต่งในการปรุงแต่งรู้กันไว้ทุกขณะจิตปัจจุบันไม่รู้ก็หลง ไม่เข้าไปยิดเอาทั้งอาการที่ถูกรู้และทั้งผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นองคของเราไอเหตุว่ามันเป็นงแค่สังขารไม่เรี่ยงนั่นแหละคือข่าวที่ผมวงกระใจนะคือว่าอย่างนั้นเนี่ยพอผู้รู้ให้ข้าผู้รู้แต่คนทั้งหลายเข้าใจผิดคือข้าผู้รู้คือทิ้งทิ้งหมดแล้วไม่รู้อะไรเลยอยู่ไปวันวันวนึงไม่รู้อะไรอย่างนี้ลงาวนั้นที่หลวงปูรี มาท่านก็บอกว่าอยู่กับผู้รู้นั่นก็คือท่านท่านไม่ได้ทำลายผู้รู้แต่ท่านท่านอยู่กับรู้ถูกไหมครับหมอตาคือรู้พ้นเนียนี่อยู่กับรู้พ้นที่ท่านบอกว่าอยู่กับรู้อยู่กับรู้หรืที่ลุงปูดุลจโลว่าอยู่กับรู้หลวงปู่หีอยู่กับว่าอยู่กับผู้ er ol, รู้เนี่ยหลวงปู่หลีหลวงปูดุลนัตโลก็หลวู่หีตานังกโลนะหะวงปู่ีตานังกโลท่านบอกว่าอยู่กับผู้รู้ก็คือ อ, อันเดียวกันเนี่ยอยู่กับผู้รู้หรืออยู่กับรู้หมายถึงว่า อันนี้หมายถึงว่าผู้รู้ที่ว่าไม่ผู้ที่รู้ว่าไม่ยึดอะไรแล้วไม่มีไม่มีใครไปยึดทั้งอาการที่ถูกรู้ไม่ไปยึดทั้งผู้รู้รู้ว่ามันสักแต่ว่าเอรู้แต่ว่ามันสักแต่ว่ารู้กันไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีใครเข้าไปยึดอาการที่ถูกรู้นั่นไม่ไปยึดอาการที่ที่รู้ก็รู้ว่ามันสักแต่ว่ารู้กันไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีใครเข้าไปยึดไอ้รู้ตัวเนี้ยมันเป็นรู้พ้นไปแล้วมัอนล่ะคือรู้พ้นไม่มีผู้เข้าไปยึดอะไรเลย แต่อยู่กับรู้อันเนี้ยทุกคนอ๋อครับอย่างนี้ไอ้ตัวตัวถือกับรู้คืออาการที่ไปไปรู้อาการทองจิตไว้ไม่ใช่ผู้ที่ไปรู้อาการของจิตไว้ไม่ใช่ไปอยู่กับผู้ที่ไปรู้อาการของจิตไว้คือไอ้นี่มันปล่อยวางแล้วปล่อยวางไม่ไม่ยึดเอาอาการผู้รู้จิตเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวเร า, เ ป, เ, ราเป็นของของเราแต่ก็อาศัยไปรู้กันอยู่เพื่อะ лу, ระลึกรู้กันอยู่กับทุกอะไรก็รู้อาการของจิตทุกขณะปัจจุบันเนี่ยทุกคิดทุกอาการถ้าไม่รู้มันก็หลงหลงคิดไปเรื่อย อะไรไม่รู้คิดก็คือหลงคิดอันที่วันนั้นหลวงตาบอกว่าการณีที่อารมณ์ความรู้สึกหรือคิดเกิดขึ้นแล้วถ้าความเป็นผู้รู้ของเรายัา ง, ย, ง, งยังไม่ได้ปรากฏชาตยังไม่ได้แข็งแรงสติที่บอกตัวเองอยู่ตลอดว่ากายเราไม่มีใจเราไม่มีอารมณ์ความรู้สึกหรืคิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยมันสามารถมาช่วยเรา ให้ให้ความหลงร้อยลงได้แล้วก็เข้าใกล้ผู้รู้ได้มากขึ้นไอ้ตัวเนี้ยกับตัวที่ผู้รู้ว่าตัวตนไม่มีกาเราไม่มีใจเราไม่มีเนี่ยก็คือรู้ว่าสักวันแต่ว่านะครับใช่ใช่มันจะเข้าใกล้ตัวนี้ไปได้เรื่อยๆครับเพราะอำนาจแห่งโยนิโสมนัสิกาไม่ในใจว่าตัวตนไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราคอันเอก อาการที่ถูกรู้และอาการของผู้รู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เราตัวตนของเราจะไม่เข้าไปยึดอาศัยเป็นเครื่องลึกรู้กันไว้เป็นคู่เป็นคู่จิตรู้กันไว้คืออาการของจิตที่ถูกรู้กับอาการของผู้รู้เนี่ยมันอาศัยรู้กันไว้ไม่มีใครเข้าไปยึดเพราะว่าตัวตนไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีใครเข้าไปยึดก็เพราะว่าเราเดโยนิสงมในกายในใจอยู่แล้วว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราจึงไม่ใช่ว่ารู้เพื่อให้เราแบบไปได้อะไรไปเป็นอะไรเหมือนกับที่ ท, ที่กองเขาทําแล้วทําไมไม่โยนในตัวมันแล้ิการไว้มันจะมีหมายว่าตัวเราทําแล้วเดี๋ยวเราจะไปได้ไรายแล้ไม่ได้ยิ่งก็งุ่ดจีดแล้วเครียดยิ่งทำยิ่งเครียดแต่ถ้าเราเห็นว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนของเรามันก็ได้แต่รู้รู้ไว้อย่างงั้นแน่ละแต่ไม่มีใครไปยึดไมมีตัวเราไปยึดอย่างนี้กลับในที่หลวงตามบอกว่าเหมือนสเต็ปของการพัฒนาทางจิตตั้งแต่เริ่มต้นจาก สุตตะมยาปัญญาที่เป็นผู้ฟังถูกไหมครับอาจารย์พอจินตามายาปัญญานี่คือเป็นขั้นตอนของการคิดการจินตนาการแต่คือเป็นโยนิสงส์มนรติกาไม่ในใจใช่ครับคือตัวคิดที่พูดถึงนี้ก็คือคิดอยู่ตลอดเวลาว่ากายเราไม่มีใจเราไม่มีแต่รมความรู้สึกไม่คิดอันนี้มันเหนือกับความคิดไปคือมันเป็นความรู้สึกอยู่ในใจเลยโดยแยกแคลดตลอดเวลาครับสแต่แล้วโยนิสงส์มนรติการไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เป็น มันไม่ใช่ตัวคิดคิดธรรมดาคิดคิดคิดเอาแต่ใจไม่รู้สึกอันนี้ต้องคิดต้องรู้สึกครับแล้วสุดท้ายไอ้ตัวนี้แหละมันคือตัวที่โตไปเป็นลงแก่ใจก็คือรู้แจ้งก็คือเห็นจริงว่ากายไม่มีใจไม่มีถูกไหมครับตัวเราไม่มีเห็นว่าตัวเราไม่มีใช่ไหมตัวตนของเราไม่มีไม่มีตัวตนเราก็เห็นว่าไออาการที่ถูกรู้ละทุกปิยอาการทั้งร่างกายทั้ง ทังกิริยาการน้อมจิตที่เกิดขึ้นแล้วทั้งอาการที่ไปรู้ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารไม่มีผู้ยึดมั่นถึงมั่นคับครนี้สมมุติว่าคนที่ยังต้องทํางานแบบโลกๆอยู่ครับหลวงตา<ม>แล้วในทางปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นก็คือการโยนยุ่งโศอยู่ตลอดว่ากายเราไม่มีใจเราไม่มีครานี้มันก็จะเห็นของคนอื่นได้ว่ากายคนอื่นก็ไม่มีใจคนอื่นก็ไม่มี แต่ <Okay. S 1> เขาก็ยังเป็นเห็นของตัวเรามันเห็นของตัวเรามเหรามายถึงว่าเขาเขายังต้องทํางานยังต้องอะไรเงี้ยทำงานก็เติดต่อรับรู้ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับงานที่ทําแหละไม่ไม่ทํางานผิดผลทุพพาแต่ใจมันแอบพิจนารณาอยู่ข้างในก็คือกรอบของงานก็คือตามตามเหตุผลของโลกโลให้ดีที่สุดใช่ใช่ให้มีสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับงานที่ทําแต่ใจมันเนี่ยแอบพิจนารณาอยู่ข้างใน แอบพีนายอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วแต่ว่าเราเอากรรมฐานของใครของมันที่ที่เราปฏิบัติในขั้นใด ข, ของตัวเองอ่แอบพีนายอยู่ข้างในตลอดเวลาอย่างต่อเ น, นื่องไม่ขาดสายแต่ไอความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยก็ทําอยู่กับงานที่ทํำในปัจจุบันที่ที่หลวงปู่ที่ได้คุยกับกองมะเย็นในครั้งที่บอกว่าหลวงปู่ทาท่านสอนอะว่าให้เอาอย่างแม่โคเลี้ยงลูกน้อยให้ปฏิบัติแบบ เอาอย่างแม่โคเลี้ยงลูกน้อยงานของแม่โคก็คืองานเลม้องงานกินหญ้าและเล็ม ouais ก uh> ินหญ้าก็คืองานที่เราทำในปัจจุบัน no> นั่นแหละคืองานหลักงานของแม่โคก็คืองานและงานกินหญ้าและเล็มกินหญ้างานหลักของแม่โคก็คืองานของเราคืองานที่ทำในชีวิตประจาวันส่วนตาแม่โคเนี่ยก็เลือบดูลูกน้อยไม่วางตาเลย ปากแม่โคก็กินหญ้าและเล่นและเล็มหญ้าตาส่วนตาของแม่โคก็เหลือบดูลูกน้อยไม่หวางตาทั้งแม่โคก็อิ่มท้องทั้งลูกก็ปลอดภัยลูกลูกโคอันี่ก็เปรียบเหมือนจิตเนยที่จะต้องดูแลเขาให้เขาปลอดภัยจากกิเลสปลอดภัยจากกิเลสปลอดภัยจากความทุกข์ แล้วถ้าคิดว่าลูกโคคือคือโยนิโสตัวเมื่อกี้ที่บอกว่ากายเราไม่มีใจเราไม่มีอันนี้ก็เป็นนิปรัสนาไปแล้วก็กินญ้าไปถูกมครับก็คือไอ้นี่เป็นตัวที่ว่าให้ใหงานก็ทำไปใจก็ให้แค่รู้ไม่เข้าไปยึดถ้าไปยึดมันจะทุกข์ไอ้ตัวโยนิโสมัร์สิกาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยว่าช่วยไม่ให้มีตัวเราไป ย, ยึดนู่นยึดนี่ ระหว่างที่เราเนี่ยยังไม่สามารถลงแก่ใจมันจะได้แบบว่าการยึดมันจะได้เพ่าๆลงไม่น้อ ย, อยลงไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ขาดถึงใจล่ะหลังที่เราอยู่ในสวรรค์มกัแล้วเราก็มาพิจารณาไปบ่อยพิจารณาสังขารร่างกายให้เห็นว่ามันมันแก่มันเจ็บมันตา ย, ม, ตายมีสภาพตายแล้วก็ต้องหน้าเปื่อยผุพังเราน้อมมาน้อมเป็นมนโนนึกน้อมอาไว้ในปัจจุบันแต่น้อมไปถึงอนาคตของเราว่ะที่สุดเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเหมือนคนอื่นเพราะเห็นเราเห็นคนอื่นมาเยอะแล้ว แก่เจ็บตายเน้าเปิดผูกพังไปนอนกันที่ i อซร้องโอดโอยแล้วก็ไปดับที่ i อซีเป็นหมดอ่ะแล้วเข้าไอซแล้วก็สายยางเจาะให้เต็มไปหมดเราก็ต้องเป็นแบบ น, นี้การเกิดมาเป็นทุกข์ชีวิตไม่น่าเกิดเลยพอพิจารณาเข้าไปไปซ้ำๆๆจานก็จะปรงไปว่าง ข, ขออนุญาตกลับมาที่ความตายนิดนึงครับังแต่ คที่บอกว่าเมื่อเมื่อร่างกายมันดับนะครับแต่จิตเนี่ยมันยังอยู่ตรงนั้นอีกประมาณยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงสมมตให้<ไ>อบอกนะ ท, ที่เขาบอกว่าหลังจากที่ร่างกายดับแล้วหยุดหายใจแล้วเนี่ยแต่จิตของคนคนตายเนี่ยยังยังไม่ได้ไปไหนตรงนั้นเนี่ยเราเราทำอะไรได้บ้างั้ยครับไม่ใช่ะ คือมันมันมันมันดับไปก่อนแล้วจิตมันดับไปก่อนแล้วออกมาจากล่างก่อนนะลมใจมันถึงตาลมขึ้นแต่ลมใจมันถึงดับอจิตวิญญาณเนี่ยจิตหรือวิญญาณเนี่ยมันออกมาจากล่างแล้วมันอยู่จะไปอยู่นอกร่างของตัวเองแต่มันยืนอยู่แถวนั้นเนี่ยครับมันก็ยืนอยู่แถวนั้นแหละแต่ร่างกายมันจิตวิญญาณเราว่าดับก่อนแล้วดับออกจากล่างก่อนแล้วแล้วก็ลมใจก็เกือเกลือนเกือก็ดับ ทีังครับแต่ไอจิตวิญญาณออกมาจุนมันอยู่นอกร่างนะนอกร่างตัวเองครับแต่แ ต, แต่แต่ตรงนั้นเขายังรับรู้ได้ถูกไหมครับรับรู้ได้เพราะว่ามันมาดูตัวเองอยู่มาดูว่าหมอกําลังผ่าตัดเย็บตัวเองอย่างไรก็ยังดูได้เอะตรงรับรู้ได้นะครับหลวงตาคาถามคือเราทําอะไรได้บ้างไหมครับเราช่วยเขาเหรอครับอ๋อเราต้องเห็นเขาสิ เราไม่มีตาทิพย์มองเขาไม่เห็นเราจะเชื่อเขาได้ไงเขต้องมีคนมีตาทิพย์แล้วก็สามารถที่จะมีหูทิพย์สามารถคุยกับเขาได้ด้วยตาทิพย์ก็เห็นหูทิพย์ก็ได้ยินเขาด้วยแล้วคุยกันบอกเขาว่าอย่างไงแต่บอกอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นนะเพราะว่าคนเป็ น, เ ป, นเป็นยังสอนไม่ได้ตายแล้ววันที่พูดไปรู้เรื่องว่เอาแต่อโอกเล้าอย่างเดียวอืม และแล้วกรณีของการเปิดเสียงสวดมนต์ให้คนไข้ฟังจนกระทั่งว่าจิตเขาดับไปนะครับอันนี้ประโยชน์มันจริงๆคืออะไรครับหงตถ้าคนเขาเนี่ยเคยปฏิบัติมาบ้างแล้วมันเป็นการเตือนสติตอนที่เขายังรู้สึกตัวอยู่ยังไม่ยังไม่ถึงแก่ความตายช่วยทำให้เขาเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านออกไปนอกเรื่องให้ใหเสียงสวดมนต์เสียงคาสอนครูบาอาจารย์เนี่ย มันกลับมาจดจ่ออยู่กับตรงนี้ ท, ทําให้เขาไปคิดไ ม, ไ, มไม่เศร้าหมองไม่ตกต่ําลงก็คือจะประคอมจิตไว้ในในด้านบวกใช่ใช่เพื่อให้ไปสวรรค์ก่อครับให้โอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกโอกาสจะกลับไปมนุษย์หรือไม่เนี่ยไป้อันอนั้นก็ยังยากอยู่แต่ให้ไปสวรรค์ก่อนไม่ต้องลงนรกแต่ตาจากเทวดาลแล้วก็ไปอาบัยเหมือนกันอ๋อลงไปเลย ไปอภัยทั้งหมดทั้มนุษย์ไดทั้งมนุษย์เทวดาตา ย, ยาตายจะพบกับมนุษย์หรือตายจะพบกับเทวดาก็ไปอบายหมดเกือบหมดมอ่ะอุตตมจ่าตรัสว่าโปเซ็นจะกลับอาเป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่ากับปริมาณดินในกี่เล็กพรองค์เนนอกอันนั้นเนี่ยไปอบายหมดเท่ากับพื้นตัดดินในพื้นปัดพีโอ<ม>กาสที่เทวดาจะกลับมาเป็นเทวดาหรือมนุษย์จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกไม่มีแทบไม่มี แต่ก็คือไปสบายแค่ในพบน้อยนะในพวกผมมนุษย์แล้วไปตายเป็นเป็นเทวดาแต่ตายจากเทวดาก็จะไปอบายแตเเ่เป็นเทวดามันก็จะดีกว่าไปอบายตั้งแต่แรกเลยคือเทวดาถ้าถ้าชอบปฏิบัติธรรมเทวดานะั้นก็มาฟังธรรมได้เนี่ยอย่างแสดงธรรมก็มาฟังธรรมได้แล้วก็ปฏิบัติไปได้หนีไปเรื่อยหนีหนีไปเรื่อยๆคือหนีนรกไปเรื่อยๆ พอตายจากตอนจะตายเทวดาอีกถ้าจิตไม่เศร้าหมองก็งไม่ต้องลงนรกก็จะเป็นธรรมอยู่ก็ห น, นีไปไปไปเกิดในสวรรค์ต่อไปอีกคือเรียกว่าหนีไปเรื่อยหนีนรกในอบายไปเลยล ก, ลยก็ก็คือรักษาจิตตัวเดียวรักษาจิตตัวเดียวใช่รักษาจิตเรักษาใจตัวเดียวรักษาให้ได้วิ จ, จารณิตัดส้อมว่าตรงนี้สําคัญที่สุดกว่ากว่าเรื่องใดๆทั้งหมดรักษาจิตรักษาใจไว้ได้ตัวเดียว คือไม่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนะี่ยการประคองรักษาจิตให้อยู่ในในศีลสมาธิปัญญาแล้วให้เป็นคนจิตสะอาดสว่างแต่ไม่ให้จิตตกเศร้าหมองนี่คือขั้นตอนการหนีกรรมไปเรื่อยๆใช่ใชหนีกรรมไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเมื่อถึงที่สุดคือเมื่อละจิตละความยึดมั่นถือมั่นได้ก็เป็นอันว่ากรรมทั้งหมดเป็นโมฆะเพราะว่ามันหายตัวไปเลยไนงะจิตวิญญาณหายตัวไปเลยเพราะว่า สิ้นความยึดมั่นถึงมั่นแล้วจิตวิญญาณก็มายึด ไ, ไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรไปมันก็เลยหายตัวไปมันพวกบรรทุกโยมพบาลหรือเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายกรรมเวรทั้งหลายก็หาไม่เจอเป็นโมฆะไปมีคําถามอีกนิดหนึ่งครับหลวงตาคือกรณีของการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีกายยาบแล้วส่วนใหญ่รูปแบบของการใช้กรรมเนี่ยมันจะใช้ทางกายหยาบหรือใช้ทางเจ็บป่วยทางร่างกายหรือเวทนาทางร่างกายเยอะอรั แต่มันก็มีคนที่ใช้กรรมที่เป็นเวทนาทางจิตใจเยอะเหมือนกันแต่ในในครอบคลมของเทวดานะครับรูปแบบการใช้กรรมเนี่ยเขาก็ยังต้องใช้เหมือนมนุษย์ถูกไหมครับแต่ว่าเป็นใช้ทางจิตคนไม่มีใครหนีกรรมนอกจากติพานและที่หนกรรมได้เก่ยวกับพกรรมได้เทวดาที่ยังไม่ผลกรรมหนีกรรมนี่ก็คือผลนพ้นทางจิตใจถูกไหมครับมาถึงอย่างของพระพุทธเจ้านะครับ เอตอนวันสุดท้ายที่ท่านไปปฏิบัติผ่านท่านก็ยังใช้กรรมอยู่แต่จิตใจของท่านมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสภาวธรรมที่เกิดขึ้นแตไ ม, ไ ม, ไมทุกต่อกรรมที่ได้รับนั่นก็คือท่านอิสระออกจากตัวตัวกรรมดโดยจิตใจเราขันห้าท่านก็ยังรับกรรมอยู่ที่ที่โดนนี่หินกระเด็นมาใส่เท้าข่อเลือ่อยปวดอยู่หรือว่าตอนที่หิวน้ำไปสุดท้ายกยัังรรรบอู่แต่จิตไม่รับ แต่จิตไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็กรรมถ้ายอมรับสภาพยอมรับกรรมอย่างนี้คนที่ปลงปล่อยวางได้หมดแล้วในในปัจจุบันนี่นก็คือจิตของเขาอิสระออกตรงนี้ซึ่งสุดการใช้กรรมที่จิตถูกไหมฮะใช่แต่แต่ในสังขารก็ต้อ ง, ต, องต้องใช้ไปตามปกติใช่ถูกต้องพระเจ้าจึงตัดว่าไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าเป็นพระอราหันต์หรือคนธรรมดาทั่วไปต้องโดนลูกสอนดอกดอกแรกก่อน แต่พระพุทธเจ้าพระหลานเนี่ยไม่โดนลูกศรดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่แต่พวกปรรทุจชนทั้งหลายทั่วไปเนี่ยเวลามีความทุกข์ทางกายคือโดนลูกศรดอกแรกพระพุทธเจ้าก็โดนหลายก็โดนเมื่อเมื่อถึงเวลากรรมให้ผลร่างกายก็ร่างกายก็ต้องเจ็บปวดทุกทรมานเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าพรานทั้งหลายเนี่ยมีมีโดนลูกศรดอกเดียวคือทุกทางกายแต่ทุกทางใจไม่มีแต่คารวะหรือว่าบรทุจชนเน่ะ แม้แต่พระนั้งหลานที่เป็นพุทธชนยังปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องทุกข์เหมือนกันนะทุกใจอีกทุกกายเสร็จแล้วยังทุกใจต่อยก็เลยโดยลูกสองดอกที่สา ม, ด อ, สามดอกที่สี่เรื่อยไปก็คือที่เรียกว่าเวทนาในเวทนาก็คือร่างกายป่วยอย่างเดียวไม่พอใจป่วยไปด้วยในใจป่วยเพราะว่าต้องการดิ้นรนให้พ้นสภาวะเวทนาทางกายใช่ใช่ก็เมื่อกี้อย่างเมื่อกี้มีมี มีหลายหนึ่งที่ก็แจ้งมาเนี่ยที่ว่าเขาปเป็นมะเร็งเต้านมตัดไปทิ้งไปแล้วตั้งปีหนึ่งละไปตรวจครั้าที่ไปเพิ่งไปตรวจกลับมาเนี่ยวันนี้ยไปตรวจกลับมาหมอตรวจเจอมันเข้าไปที่ต่อมน้ําเหลืองใต้ลักแรก่จิตตกจิตตกเอาไม่อยู่เลยเนี่ย ท, ท, ที่ที่แจ้งมาหาเราเนี่ยผมไม่รู้จะทํายังไงด้วยต้องที่ปัต้องที่ก็เนี่ยก็สนใจ ได้ทําอยู่เนี่ยรู้จักเราอยู่แต่ยังไม่ไม่ภาวนายังไม่เริ่มต้นภาวนาเท่าไหร่ยังขี้เกียจอยู่พอหมอบอกว่ามันลามไปที่ตอนน้าเหลืองใต้แรกๆแค่นั้นแหละจิตตกเอาไม่อยู่อะเอาไม่อยู่เลยแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงด้วยพอตึงตอนนั้นบอกว่าจะทํำยังไงดีจะทํำยังไงดีจะทํำยังไงดีจิตตกเอาไม่อยู่เลย ก็คือความความเกียดตค้ามันเป็นอันายามุกหกตัวหนึ่งที่มันรุนแรงมากอยู่แล้วถนนนะใช่พะแล้วความกลัวตายก็เลยประดังนะครับครับมันก็เลยภาวนาไม่ได้เล ย, เลยตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ก็ให้กําลังใจไปแล้วก็บอกอภาวนาเขาอย่ามัวตกอยู่คาถามอีกครับหลวงตา ก, กรณีของการการสอนอันนี้ถามในในมุมของว่าเป็นเป็นสมณะครับ นอย่างพระพุทธเจ้านะครับเวลาที่ท่านสอนสอนคนทั่วไปเนี่ยประเด็นแรกคือท่านท่านชี้ถุกแต่สิ่งที่ท่านท่านทำพ่วงไปด้วยก็คือการการบอกทางออกจากทุกข์หรือทางพ้นทุกข์ถ้าถ้าเรามาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็คือการชี้กรรมแล้วก็บอกทางว่าพระนิพพานเนี่ยคือเป็นหนทางเดียวที่เขาจะอิสระออกจากกรรมทั้งหมด ที่เขาทามาอันนี้ครับมันจะจัดเป็นอันเดียวกันกันกบที่พระเจ้าชี้ทุกแลบอกทางออกจากทุกไหมไหมครับมันก็ไม่ได้ชี้อย่างนั้นหรอกพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นอะไรชี้กรรมอย่างนั้นแต่พระองคอ์สอนให้อย่าไปทํากรรมมันต้องได้รับผลของกรรมอย่าไปทํากรรมนะเพราะว่า กรรมเวลามันให้ผลเนี่ยเจ็บแสบปวดร้ลลอนยิ่งนักทั้ทงในโลกนี้และในโลกหน้าคือไปตกอบายไปตกนรกนะอย่าไปทำกรรมัวในเรื่องอะความทุกข์นี่อีกเรื่องหนึ่งกรลานกันความทุกข์ว่าอย่าไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์มันทุกข์ก็เพราะยึดนี่แหละถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเราพอทุกข์แล้วก็ต้องตรวจดูว่า ยึดอะไรแล้วทุกเป็นทุกทั้งทำไปยึดมันก็ไปทุกพระเจ้าก็สอนให้มีปัญญาว่าจะคิดอย่างไรมีเงี้ยคิดอย่างไรจึงจะไม่ให้ยึดสิ่งที่ยึดสิ่งที่ไปยึดอยู่นั้นเน่ะยึดสามียึดภรรยายึดลูกหลานยึดสมบัติพุสถานเนี่อพระเจ้าก็สอนว่าให้เห็นว่ามันยึดไม่ได้เพราะว่ามันของไม่เที่ยง ยังไงก็ต้องพัดภาคต้อพัดภาคกันแน่นอนเพราะมันยึดกันให้ได้ถ้าไปยึดมันจะเป็นทุกข์เพราะว่าไปยึดของไม่เที่ยงแล้วมันต้องพัดภาคเรายังไปยึดอยู่ก็ต้องเป็นทุกข์แน่นอนพระเจ้าก็สอนอย่างเนี้ยตอนในจังทุกขังอนดาตามันยึดไม่ได้จะไปยึดของที่ไม่เที่ยงสมควรหรือที่จะอาจารย์ไปฝากไว้กับของไม่เที่ยงถ้าอาจะไปฝากไว้ของไม่เที่ยงมันต้องพัดภาคอยู่แล้วมันก็ต้องทุกข์แน่นอน ได้แน่พเจ้าสอนเพื่อให้เห็นว่ามันยึตไม่ได้เป็นนิจังทุกขังอนัตตามันยึตไม่ได้แต่เรายังไปเอาไปยึดเหตุสอนให้เห็นนิจังทุกขังอนัตตาเพื่อมันสิ้นยึดมันจะได้สิ้นทุกข์แล้ไอ้ความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยมันก็มาจากความยิดตัวเดียวพอสิ้นยึดมันก็เลยสิ้ทุกข์พอสิ้นทุกข์ปุ๊บมันก็จะต้องไม่เกิดมันก็ต้องไม่ไปเกิดให้เป็นทุกข์อีกต่อไปเมื่อไม่ไปเกิดทุกข์ก็เลยไอ้กรรมทั้งหลายก็ให้ผลไม่ได้มันก็็ล้ายๆจะเปน กายกายจะเป็นการแก้กรรมไปด้วยในตัวคูค่ ข, ขนานกันแต่ทุกที่สุดเลยนะครับก็คือการยึดในในกายกับในใจของตัวเองถูกไหมครับใช่มันก็ ตอนที่ตัวเองมันยั ง, ยงแข็งแรงอยู่ยังไม่เป็นอะไรมันก็ไปยึดทั้งนอกก่อนเลยนะแบบนั้นแหละไปยึดแค่นอกก่อนยึดสามียึดภรรยายึดลูกหลาน ย, ยึดสมบัติพระสถานยึดตำแหนง่งราบยึดเนี่ยตอนที่ตัวเยังไม่ไม่เป็นอะไรไงแต่พอตัวเองจะตายก็จริจริงเนี่ยไอ้ริ่อย่างอื่นเนี่ยเป็นรองความกลัวตายเป็นหลักยึดตัวเองเป็นหลักอันนะั้นทุกที่สุดหลักแต่ไอ้ตัวตัวเองยังไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จะตายอย่างที่เนี่ย ท, ท, ที่ก็เป็นมะเร็งไปหามองมาเนี่ย ถ้าตอนที่ยังไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่สายเราบอกให้ภาวานาเข้าปฏิบัติเขาก็ไม่ยางเกิดยังไม่ค่อยสนใจก็ทำบ้างไม่ทาบ้างคอยว่าอยู่เรื่อยๆก็ไม่ได้ทําก็ไปยึดโน่นนะมัวแต่ไปยึดอยอื่นก่อนยึดลูกยึดหลานยึดสามีภระระยาพ่อแม่พี่น้องตําแหน่งลาบยึดวิ่งหาตําแหน่งลาบยึดกันก่อนแต่พอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะทําอะไรก็รีบทํานะตอนนั้นนะไอ้เรื่องอื่นเป็นเรื่องร้องหมดเลยไอ้เรื่องความกวนตายเป็นเรื่องหลัก มันเลยทุกที่สุดเลยตอนนี้เนะี่ยทุกจะเป็นบ้าเลยเราเห็นแล้วเป็นเป็นบ้าทุกเป็นบ้าแบบนี้เนี่ยตรงนี้เพรกลัวตายจะเป็นบ้าแล้วก็ไอ้คนก็กลัวตายจะสติแตกเหมือนผมเหมือนถูกไฟไหม้เลยผมไปกระเซิงเลยอันนี้มันทุกที่สุดแลหละไอ้ทุกอย่างอื่นไม่ถึงกับเป็นบ้าบ้าไม้ขนาดเนี้ยแล้วก็ไม่เป็นกับไอ้คนมันถูกไฟไหม้ผมไม่กระเซิงอย่างเงี้ย แต่นี้มันพอบอกว่าเป็นมะเร็งมะเร็งเยอะยาสุดท้ายนั่นแหะโอ้โหมันสติแตกเป็นบ้าเลยนั่นทุกเกี่ยวกับตัวเองสัารตัวเองความกลัวตายนี่มันหนักหนาที่สุดสติแตกเลยคือคืออย่างนี้ที่สำหรับคนทั่วไปคือทุกทุกจากการยึดมั่นถือนั่นเนี่ยคือตราที่กายกายกับใจเขายังแข็งแรงเนี่ย เขาจะเป็นทุกข์จากการยึดมั่นถือมั่นของของสิ่งภายนอกตัวก่อนอแต่ว่าพอพอกายใจเขาถึงวิกฤตเนี่ยเขาจะทุกข์กับความยึดมั่นถือมั่นในกายกับในใจเขาแต่แต่ในแนวทางปฏิบัติเนี่ยเราตั้งต้นที่การทาลายความยึดมั่นถือมั่นที่ใจของเขาอย่างเดียวถูกไหมครับพอใจเหมือนคนไปยึดมั่นถือมั่นกัน ครับก็คือมันเหมือนเหมือนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเราตัดที่โคนอย่างเดียวเลยถ้าเราตัดโคนขาดคือตัดความยึดมั่นถือมั่นในกายใจของตัวเองขาดไม้ใหญ่ล้มทั้งต้นนี่ก็คือสายทั้งหมดที่ยึดมั่นถือมั่นคือขาดถูกไหมครับใช่ใช่ครนี้อยากถามแนวทางครับหลวงตาสมมติว่าเราไปสอนธรรมะให้คนทั่วไปนะครับเวทุกจริงๆของเขาผมผมเห็นเยอะมากคนมาหาหลวงตาเนี่ยทุกเกีกับเรื่องลูกทุกเกีกับเรื่องเมียทุกเกีกับเรื่องงานทุกเกีกับเรื่อง ครับทุกการเรื่องของโอกาสในอนาคตแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาทำลายความยึดมั่นถือมั่นในตัว ต, ตนของเขาสับกายใจของเขาก่อนแล้วเรารู้ดีว่าถ้าเขาตัดโค้นไม้ใหญ่ตรงนี้ได้เนี่ยไอ้กิ่งก้านใบรากดอกมันถูกตัดขาดออกจากกันทั้งหมดเนี่ยหลวงตามีคำแนะนำเลยไหมครับสำหรับสำหรับพระที่จะต้องไปบอกทางคนนีครอย่างนั้นมันเป็นทฤษฎี เป็นทฤษฎีคือเราก็คือให้ละร่างกายจิตใจละร่างกายจิตใจตัวตวนของตัวเองเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยึดอยู่ดีเนะี่ยบอกไงเขาก็ยึดทางนอกอยู่ก่อนร่างกายไม่เจ็ป่วยไปยิดทางนอกไม่ไม่จะเป็นจะตายจริงไปยึดทางนอกบอกไงไปบอกว้าละตัวเองละยากคือมัน ถ้าจะเป็นครูอาจารย์สอนเขาเนี่ยหนึ่งตัวเองเนี่ยต้องรู้ทางแล้วถามคนทุกสองมันต้องรู้เขามันต้องรู้เขาด้วยว่าเขามีความเป็นมานอย่างไรมันต้องรู้ละเอียดมากนะนี่ยรู้วาระอีตด้ดดวยอดีต ด, ดว้วยอนาคตรึกชาติเขาได้รู้ บุญบาปกรรมดีกรรมชัว่วทดีเขาทานบาทั้งหมดผั ก, กบลบกันแล้วมีเท่าไหร่เขาจะต้องได้รับผลอย่างไรที่อยู่มาเราในปัจจุบนันนั้นก็ได้รับผลตามบุญหรือได้รับผลตามบาปแล้วก็จะตอนได้ไม่ได้สอนไม่ได้เพราะอะไรสอนจะเอาไหมหรือไม่เอา ครูบาอาจารย์ท่านท่านเก่งๆท่านรู้หมดคือสอนบ็สอนไม่ได้ครับหรือว่าสอนได้คือท่านท่านอ่านทีเดียวแป๊บเดียวสแกนเดียเดียวนี่ทีเดียวท่านก็จะรู้เบ็ดเสร็จหมดแล้วทิดเลยว่าจะสอนได้ไม่ได้ที่บุญมีบาปมีกมดีกำชื่อมาเท่าไหร่เราเชื่อหรือไม่เชื่อศรัทธาหรือไม่ศรัทธาจริงสอนเราจะฟังไม่ฟังสอนล้วจะได้ไม่ได้ แครูบาอาจารย์ทุกคนก็เมตตาเมตตาแต่ก็เออแต่ก็รู้ว่ามันไปไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่ใช่ท่า น, นจะไม่รู้ท่านรู้ว่ามันไปไม่ได้แต่จะเป็นครูบาอาจารย์คนต้องรู้ทั้งหมดต้องต้องรู้ละเอียดมากเราไม่งั้ น, เ, นเราจะพาคนอื่นน่ะหลงทางหมดตัวเราหนึ่งต้องรู้ทางก่อนว่าทางนี้มันเป็นตรงเดีจริงสองเราต้องรู้คนอื่นละเอียดทุกกระเบียดนิวตั้งอดีต อ, อนาคตตั้งปัจจุบนันทั้ง ว่ามรู้สึกและคดอารมณ์ของเขาถึงจะเป็นไปทั้งอดีตชาติที่เขาทำาทั้งหมดโตชาติคือทําบุญ ท, บทําบาปทํากวามดีกรรมชั่ว อ, อะไรมาสมมุติว่าถ้ามันมีกรรมบาปกรรมมาขวางไว้ทำให้นในภพชาตินี้เขาโง่ทึบเหมือนกับท่านจุลปถกอ่ะก็ต้องเจาะลงไปว่าแล้วเนีชกภพชาติที่เป็นบุญกนะุศลเนี่ยมันมีไห้ท่าที่เขาจะพ้นทุกข์ได้ก็อาบุญ ทามันมีก็ทําเคยทําอะไรมาแล้วนะก็เอาบุญเด็ดประชัยถ้าเขาเคยปฏิบัติธรรมมาเขาปฏิบัติมาอย่างไรอะ่ะอที่เียเขาปฏิบัติมาแล้วถ้ามันถูกทางไม่รู้ดีผ่านไม่ผ่านนะถ้าถูกทางก็ให้ก็สอนต่อไปเลยถ้าไม่ถูกทางก็แก้ใหม่บอกว่าไม่ถูกเอาใหม่ที่ทํามาไม่ถูกทางมาันมละเอียดลึกซึ้งมากตรงเนี้ยละเอียดลึกซึ้งมากใครเกิดมาโชคดีเจอครูบาอาจารย์แบบเนี้ย อันเนี้ยต้องเรียกว่าที่สุดของวาสนาแนละ้วแล้วก็ต้องจะอะไรนะคือไม่ไม่ไม่มีเหลวไหลไปอย่างอื่นได้มีแต่ช่องเดียวว่าจะฆ่าจะแกงจะทําอะไรก็ยอมทุกอย่างให้สอนเร้่องนิพพานอย่างเดียวคือเอานิพพานอย่างเดียวต้องเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเนี้ไม่ไปไหนอะ่ะเหมือนกับพระฝรั่งอะ่ะ ที่เป็นวิศวกรที่ท่านชื่อปัญญาหลวงพ่อปัญญาที่มาอยู่กับหลวงตาหาบวัวท่านจบวิศวะแล้วท่านก็แสวงหาทางหลุดพ้นเนี่ยท่านก็มาบวชก็มาบวชอยู่ที่กับหลวงพ่ดสดวธรรมการวัดวัดพระศรีเจริญหลวงพ ส, ด, สดบวชเสร็จท่าน ก, ก็กลับไปอยู่ประเทศของท่านประเทศอังกฤษ แล้วก็ไปถ้าก็ไปปฏิบัติแล้วไปสอนที่ประเทศอังกฤษได้ไหไปสอนแนวทางที่ท่า น, นได้คุณได้มาจากหลวงพ่อสดแต่ท่านก็รู้มันตอนนั้นเนี่ยท่านก็เห็นว่ามันตัวท่านยังไม่พ้นทุกข์ท่านก็ไปท่านก็แสวงหาอยู่ว่าท่านยัางา น, นที่จะพ้นทุกข์อยู่อดีได้เจอคนไทยก็ได้พูดถึงว่าที่ประเทศไทยมีใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดับลุกอรหันบ้าง องค์ไหนที่เป็นเป็นผู้ที่เลิศบัดีโชคดีท่านเจอคนที่รู้จริงบอกว่าลุงตามหาบัวท่านก็เลยเนี่ยศึกษาแนวทางของตามหาบัวแล้วก็โอ้โหท่านว่านี่ใช่เลยอง์เนี้ยใช่ท่านเลี้ยงกับมาเมืองไทยก่อนมานี่ท่านก็ปฏิบัติเร่งมาก่อนเพื่อให้กูบาาจารย์ยอมรับท่านแล้วท่านก็ มหาลุตาหมาบัวโอท่านก่อนมานี่ฉันคน้นชื่อเสียงกิตติศักดิ์ความรู้ความสามารถมาเรียบร้อยแล้วนี่ว่าเป็นหนึ่งเลยตอนนั้นน่ะก็ท่านมาตั้งแต่ปีศูนย์หกหรือไงเนี่ยตอนนั้นน่ะลุตาหมาบัวยังโอ้ย่างสอนเอาอจริงเขาจังมากเลยเข้งวดขนาดนั้พระท่านไปกราบลุงตาหาบัวลงตาหมาบัวไม่รับไล่เพราะท่านไปนมหาทีกายไปมาหาทีกาย รวยแล้วก็พูดไทยไม่ได้ตามหาวัวไม่รับแล้วก็กลับไปอยู่แถวไหนก็ไม่ต้องเกิดองมาอยู่ ใ, ใกล้วัดนั่นแล้ว ก, กลับพมามาใหม่อีกตุตามหาบัวก็ไม่รับอีกแล้วก็ออกไปกับเข้ามาใหม่อีกตุตามหาบัวก็ไปรับท่านไม่ยอมวาตายเป็นตายท่านเห็นแล้วว่าองคนี้แหละที่จะเป็นพ่อแม่ปูบาอาจารย์ ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์เราจะไม่หลีไปไหนนอกจากองค์นี้เราจะไม่ไปไหนเราจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันขององค์นี้ไหนะทํายังไงเราก็ยอมท่านไล่ไปทั้งห้าห้าครั้งจะมาบน่นเลยท่านก็เลยครั้งสุดท้ายเข้ามาแล้วบอกว่าอย่างนั้นขอลองอยู่ปฏิบัติชั่วคราวแอนมีแผนดีเหมือนกันก็ขออยู่ชั่วคราวไม่ไม่ขออยู่เลยตอนนี้ ขอลองอยู่ปฏิบัติเชื่อคาลอรุตมะวัวเลไรอย่แต่นิยานให้เชื่อคาลนิย่านแต่พออนุญาตแล้วมันเวลาทําศักยกรรมกันมันไม่เคยสะดวกแต่ก็เลยเปลี่ยนเป็นธรรมยุทไ์เป็นบบายเป็นธรรมยุทแล้วก็เอ่อได้ฉายาอะไรปัญจไอ้ปัญญาวุธโธเป็นภาษาฝรั่งชายาปัญญาวุธโธหลวงพ่อหลวตาหมาวัวเลยเรียกปัญญาหลวงพ่อปัญญาแล้วท่านก็ ปฏิบัติกับหลงตามหาบัวเนี่ยซึ่งหลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นอาจารย์และมีคุณสมบัติอย่างที่เราสอนเดี๋ยวที่เราพูดทุกประการสมแล้วที่หลวงพ่อปัญญาท่านเลือกเพราะว่าลวงตามหาบัวนี่มีคุณสมบัติอย่างที่เราพูดเลยเป็นอาจารย์ที่มีคุณสมบัติอย่างนั้นท้าเป็นผู้ที่บรรลุอรหันต์แล้วก็ตั้งเป็นผู้ที่รู้ผู้อื่นได้ อันอดีตปัจจุบันอนาคตดูความคิดดูอารมณ์ดูปัจจุบนันรู้ย้อนไปได้หลายชาติไปได้ได้ไกลย้อนไปได้เยอะแล้วก็รู้กุ่บาปกรรมดีกรรมชั่วอาภัพอบรมดีกันแล้วก็รู้จะปฏิบัติไงรู้แล้วว่ารู้ละเอียดอย่างที่ทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยทำมาพวกเราทำได้เราก็เคยโดนอยู่เราเนี่ยแป๊บหนึ่งไปคิดแป๊บหนึ่งขึ้นมาแม่มาหาท่าน ท่านเข้าไปข้างไหนเสละไม่ทันอยากจะมากราบซะหน่อยรถตามหาวัวเดินออกมาเลยเอออยากจะมากราบก็มาให้กราบแล้วแล้วท่านก็มานั่งต่อหน้าเราเนี่ยเรากราบเสร็จแล้วท่านก็บอกเอออยากจะมากราบก็ให้กราบแล้วนะไปแล้วแล้วท่านก็ลุกเดิน เ, เอออย่ามันจะถามทำอะไรเลยอย่เงี้ยคือต้นเร็วมากเราโดนหลายครั้งแล้วแบบเนี้ยแปบ๊บเดียวอะไรนะคิดแป๊บเดีวยวท่านเห็นจับได้เลยมันถึงบอกว่าใครที่ได้พ่อแม่ครูอาจารย์อย่างเนี้ยมันเลิศที่สุดเลย แต่นเลือดทีด่จะต้องแบบว่าไม่มีอ่ะต้องไม่ต้องไม่มีทิ้งเลยคือยอมจะฆ่าจะแก้งจะเข็นจะฆ่ายังไงยอมคือยังไงต้องขอให้สอนให้บรรล้นิพพานนี่ได้เพราะมันมันผลาดและผ่าดเลยไงคือถ้าท่านตายหรือเราตายก็จบเหตุเพราะว่าจะไปหาไงเจอกันแบบเนี้ยกี่ชาติเราเลยไปเจอกี่ลา้านร้อยล้านชาติจะไปเจออาจารย์อย่างเงี้ยตอนนี้มีโอกาสแล้วแล้วถ้าไม่อาจารย์ยังจะบรรลุได้ยังไง ยากเราไปเจอคนที่ไม่รู้จริงก็พาตกเหวไปหมดเลยคนตาบอดจู๋คนตาบอดคนใจบอดจู๋คนใจบอดพาก ร, ระตกเหวไปนะถ้ามันได้คนที่จริงเนี่แบบนี้นะั่นโอ้โหมัต้องหลวงตามหาบัวบอกว่าอย่างหลวงปู่ม่านเนี่ยเป็นอย่างที่เราพูดเนี่ยมีกุศลบัติเป็นอาจารย์แล้วเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเป็นอย่างที่เราพูดมีกุศลบัตรทุกอย่างเวลาโดนดุโดนโ ด, นดาน่าโดนว่าโดนถีบโดนอะไรเนี่ย คนที่ยอมที่โลลาบเหมือนกับว่าจะค่าจะแกงจะยอมทุกอย่างขอให้สอนให้บรรลุนิพพานอย่างเดียวได้แนะทําตัวเหมือนมูมมะแรงเลยเนี่ยคือจะถีบจะด่าจะว่าจะไล่อย่างไงก็ทําตัวเหมือนมูมแลงอ่ะพันแข้งพันขาอยู่นั่นแหละไม่ยอมว่าไม่ยอมหนีไปทำไงก็ไม่ยอมครับท่านหลวงตามหาบุฒบอกว่าองค์ไหนที่ที่ทำตัวเหมือนมูมแรงแบบเนี้ยที่สุดบรรลุอลหรหันต์หมดลูกศิลป์มุ ม, มานบรรลุอลหรหันต์หมด แต่องค์ไหนที่ทำเหมือนในพวกมีดกวา้าขวานบินเนี่ยกว้างแล้วโดนขับไล่ไปส่งก ว, างวาง้างกว้างก็เข้าปาข้าลกไปกลับมาเลยเงี้ยน้อยใจงอนโมโหไม่เอาจริงแล้วก็ไปแล้วไปรับไม่กลับมาพวกนี้เสียหายคนไม่มีใครรู้อะไรสักคนคนคนที่ที่ที่ฆ่า ใช่แล้ฆ่าให้ตายก็ไม่หนีตีให้ตายก็ไม่ไปครับหลวงตาคือคือเขาใช้ศรัท ธ, ธาในครูบาอาจารย์หรือเขาใช้ความต้องการผลทุกข์หรือสิ้นพบสิ้นชาติหรือเขาใช้ทั้งสองตัวรวมกันใ่ไหมต้องสองอย่างอะไนระอย่างหลงพ่ปั ญ, ญญานี่ท่านก็ ปัถ น, นาความสิ้นภพสินชาติด้วยะะเราแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เป็นเลิศพอเจอแล้วก็ไม่ไม่หีจากส่วนใหา่ที่ไม่รู้อรหานตอย่างาา น, นั้นทั้งหมดคือหนึ่งตัวเองต้องปัถ น, นาความบรรลุนิพพานในปัจจุบันหรือพน้นทุกข์ในปัจจุบันเราแสวงหาครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะยากลำบากกั้นดลย่างไงก็กัจนดลไปหาพอเจอแล้วก็ไม่ไม่หนีจากยอมตายนั้นถ้าถ้าคนเนี่ยไม่ได้ปราัถ น, นาพ้นทุกข์ถึงที่สุดจริงๆเนี่ย ถ้ามีแค่ศรัทธาอย่างเดียวอย่างนี้ก็เป็นความงมงายไหมครับมอนมันก็เลยมันศัทธามก็เลยเหมือนกับว่างมงายแล้วมันศรัทธาไปนอกเรื่องมันไม่ได้นอกเรื่องเพ้นทุกศรัทธาให้ทานู่นให้ทํานี้ให้กลายเป็นบาปกรรมเป็นใช้ครูบาอาจารย์ ใ, ในในทางที่ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อพ้นทุกใช่ใช่แต่ถ้าเป็นการใช้ครูบาอาจารย์ในทางของประโยชน์พ้นทุกเนี่ยครับผมแต่มัน มันจะมีบาปกรรมอะไรจากการใช้ครูบาอาจารย์ไหมครับใช้ท่านตรงๆก็บาปเลยคือเราเจตนาจะใช้ใท่านแต่เราไม่ได้ใช้ท่านเนี่ยคือท่านมีเจตนาจะสอนอยู่แล้วเราไม่หนีไปไหนเราก็ตื้อๆตื้อๆยังนี้เป็นบาปกรรมหรอกแต่เราเจตนาไปใช้ท่านที่ไม่ใช่เรื่องเรื่องไอ้ทางบนทุก์อยู่กับท่านน่ะแต่ที่ไปใช้ท่านหยิบนี่ให้ ส่งของนี่ให้อะไรให้อันนีมันอะไรเป็นบาปกรรมได้เหมือนกันเราเคยบางทีเนี่ยเราตอนนั้นน่ะเขามีการกอร่อสร้างโบสถ์ที่วัดป่านามิมิดเนี่ยไอค อ, อนมันหักดัมคอนมันหักแล้วแต่หัวคอนสร้างมาแต่เอาคอนดีๆไปหมดอ่ะแล้วแต่ไอหัวคอนอยู่หลุดอยู่วางอยู่อย่าเงี้ยเราก็เ อ, เอทำไมัน ไ, ไม่มีคอนทํางานเนี่ยคอนดีๆก็ เ, เอาไปหมด แต่หลวงปูว่านท่านมีฝีมือในทางทำดัมคอนเราก็เอาหวัวคอนไปให้ท่านทําทำำําดําแต่ทําแล้วเราก็กราบขอเข้ามาท่านใหญ่กราบกับพื้นดินเลยบอกว่าใช้ท่านทําดําคอนมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทําบวัตถุแต่ก็เลยกว่าไม่เป็นไรไม่ไรท่านก็หวัวเราะใหญ่บอกว่า เ, าาเออเราไม่ทำํำสกลุลกุยก็ไม่ทํเราเราเราทําเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไปใช้ท่านแต่เราก็รู้เป็นบาปก ร, รันแต่เราก็กราบขอเข้ามาท่าน เราจะใช้ตอ น, น, น, น, นเรากราบขอกมาครับก็ไม่ป็นอะไรแต่แต่จริงๆการการไปขอร้องครูบาอาจารย์ให้คอยชี้สภาวะของเราคอยเตือนเราคอยเออันนี้มันเป็นบาปกรรมอะไรแนละ้วเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องเราปรารถนาความพ้นทุกข์อยู่แนละ้วแล้วท่านท่านก็ต้องถือเมตตาเป็นเพราท่านเมตตาอยู่แล้วไงครูบาอาจารย์ว่าแม่ครูบาอาจารย์มีใครไม่เมตตาเรา ปกติครูบาอาจารย์ที่ที่เป็นอย่างที่หลวงตา ย, ยกตัวอย่างมาว่าอย่างอย่างต่างหลวงตามหาบัวหรือว่าอย่างหลวงปู่มั่นนะครับหนึ่งคือรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตรู้วาระทางกายทางใจรู้ความคิดอนี้ครับแต่มันมีมีอภินัยตัวหนึ่งที่เป็นเทศนาป ร, ริยาญาณนะครับอย่างนี้ครูบาอาจารย์ที่จะเป็นลักษณะนี้คือต้องมี ครบทั้งเจโต ว, วิมุตตทั้งเทสนาปริยาญาณนะครับหรือว่าปฏิสัพพิธาญาณครับปฏิสัพิทาญาณ อ, อ้ต้อมีครบอย่างนี้ก็สุดยอดแล้วก็ต้องมีทั้งเจโต ว, วิมุตตด้วยมีปฏิสัพิทาญาณด้วยโอ้โหอันนี้ได้คูบาอาจารย์แบบนี้สุดๆแล้วแล้วหมายถึงตัวตัวลูกศิษย์เองก็ต้องทำบารมีมากับท่านพอสมควรถูกไหมใใช่ใช มีบารมีกันมาก่อนนมีวสาสนากันมาก่อนอันนี้ถามว่ากรณีของทำบารมีกับครูบาอาจารย์เนะะี่ยครับมันมีอะไรบ้างที่จะเป็นบารมีได้สำหรับลูกศิษย์ที่ต้องการความพ้นทุกข์นอกจากอุปถาบารมีนี่มันมีมาก่อนแล้วหลายภพชาติแล้วเคยเคยเกิดร่วมชาติกันมา ก็คือเคยเป็นครูเป็นศิษย์กันมาก่อนเคยเป็นพ่อแม่ลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอ๋อครับเคยเคยเกื้อกูลกันมาก่อนนะตอนไม่เคยเกื้อกูลกันไม่ไม่มาเจอกันสงสัยเรื่องการเกื้อกูลครับสมมติว่าเอชาติก่อนหน้านี้เป็นพ่อเป็นลูกชาติก่อนหน้านี้เป็นพี่เป็นน้องชาติก่อนหน้านี้เป็นครูบาอาจารย์ศิษย์ฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งให้ตลอดฝั่งนี้เป็นฝั่งรับตลอด แล้วมาชาติเนี้ยฝังให้ก็ยังเป็นฝังให้เหมือนเดิมฝังรับเป็นฝังรับเหมือนเดิมหรือว่าจะต้องจับด้านกันส่วนใหญ่ฝังให้ก็คือให้ตลอดทุกทุกภพทุกๆกชาติฟั Pl ่งให้ให้ตลอดสังรับรับตลอดส่วนใหญ่รู้ฟังให้แล้วมันปกติการทำบารมีเนี่ยอย่างกรณีถ้าเราเป็นผู้ให้ที่ดีอกรณีธรรทานนี้ครับแล้วสุดท้ายเราก็จะเป็นผู้ได้รับในสิ่งที่ดีเหมือนกัน แตอ่อย่างการเกื้อกูลในแง่พ่อแม่ครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยเราเป็นฝั่งรับมาตลอดเลยทุกภพทุกชาติเงี้ยัจนถึงชาติสุดท้ายก็ยังเป็นฝั่งรับอีกนะครับมันเป็นเพราะเราในฐานะลูกศิษย์เนี่ยเป็นผู้ให้ต่อคนอื่นด้วยหรือว่าก็มันมีพบชาติ หลายพวกลาดนะครับบางทีก็ไมไ่เป็นฝั่งรับฝั่งเดียวคือเรารับบุญกุศลจากท่านแต่เป็นผู้ให้เช่นว่าตักบาตรท่านะ่ะในในพวกลาดที่ท่านยังไม่สาเร็จอแต่ก็เคยบวชหรือบำเป็นเป็นฤๅษีเนี่ยเราก็เคยใส่บาตรท่านเคยดูแลอุปถากท่านใส่บาตรท่านสักสักปีเดียวมันก็มีคุณต่อกันแล้ว คนที่เขาใส่บาตรเนี่มนม ย, ย, ม, ม, ม, ย ม, มันก็ไม่เสียหายไปไหนแล้วคือถึงแม้พระที่ที่มารับท่านยังไม่รู้นิพพานแต่คุณอันเนี้ยมันก็ไม่เสียหายไปเกิดมาในชาติต่อต่อไปแล้วพระองค์นั้นก็ยังเป็นผู้ที่ได้อุปนิสัยดั้งเดิมคือชอบบวชพระผู้ใดที่เคยบวชพระมาไปเกิดใหม่ก็ได้บวชพระอีกถ้ามีโอกาสกับมาเป็นคนนะก็บวชพระ ก็ต้องถ้ามีโอกาสก็ต้องไปสอนคนที่เขาเคยใส่บาตรบ้างนะเนี่ยก็ต้องไปเกื้อกูลเขาคือไปสอนเขาไอ้ที่เขาใส่บาตรเนี่ยมันก็คืออย่างนี้ไงคือปรารถนาว่าให้ท่านเนี่ยมีโอกาสในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุอรหันต์ไปก่อนส่วนข้าพเจ้าเนี่ยมันเป็นค้าพว่าต้องเลี้ยงดูครอบครัวต้องทำมาหากินยังไม่มีเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาจะบวช น, นั่นแหละ ก็ให้กําลังแก่ท่านคือให้ข้าวให้น้ําให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยเครื่องอคมจะรักษาโรคเนี่ยปัจจัยสีเนี่ยให้กําลังท่านก่อนท่านจะได้ไปมีแรงไปปฏิบัติแล้วไปบรรลุนิพพานก่อนเมื่อไหร่ท่านบรรลุนิพพานแล้วถ้าก็มาช่วยสอนก็มาเจ้ า, าบ้างในชาติ์ใดช่านหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมาสอนเขาอย่างเงี้ยทุกชาติไปอย่างนี้ถ้าครูบาอาจารย์ท่านสร็จก็บแล้วแล้วท่านนิพพานแล้วเนี่ย แต่ลูกศิษย์ีังต้องต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกเนยครับอันนี้ส่งของการอุปถาครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดเนี่ยมันส่งผลให้ตัวเขาได้ไปพบครูบาอาจารย์ท่านใหม่ที่ ท, ที่มาบอกทางในในความรู้สึกของเราเนี่ยอย่ า, ากบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วท่านมีมีความสามารถอย่างที่เราว่าเนี่ยท่านก็จะบรรลุอรหันต์ไปในชาตินั้นแล้วท่านก็ไม่กลับมาเกิดอีก แต่ระหว่างที่ท่านสอนเนี่ยมันก็จะมีลูกศิษย์เยอะมากอย่างยังท่านก็นเห็นก็อย่างเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเขาจะเยอะเรามีความรู้สึกว่าไอเขาเรียกว่าโคเนี่ยมันจะเข้าครอบครอบเดียวกันแถบไม่ไปเข้าขอ้อบต่างครอบได้หรอกดงั้นคนที่จะไปครูบาอาจารย์ต่อไปก็คือคนที่เก่งที่สุดในในในรุ่นนั้นเน่ยในในในลูกศิษย์เนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่มีบุญวาสนาบา ร, รมีม า, มาก ก็จะมาเป็นกูบาอาจารย์ของพวกที่รุ่นน้องๆ ท, ที่ที่ยังไม่สําเร็จเ<ะ>พราะอ อ, องค์ที่เป็นคกูบาอาจารย์บรรลุอลหรหันต์ไปอีกองค์ที่จะมาเป็นกูบาอาจารย์ต่อไปก็คือในกลุ่มนั้นแนะคนที่มีบุญบารมีเหนือกว่าเขาและมีความรู้ความสามารถมากกว่าเขาก็จะมาเป็นกูบาอาจารย์ของคนทั้งหลายในชาตต่อไปอีกกฏจะกว่าจะหมดสิ้นไป ก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปไม่มีข้ามกลุ่มหล้วไม่มีข้ามกลุ่มิมก็เรียกว่าโคของใครก็เข้าข้อ ข, ของคนนั่ น, หนแหละแต่ทุกกลุ่มก็ไปขึ้นตรงกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวถูกไหมครับ หมายถึง ท, ที่หลวงตาบอกว่าโคของใครเข้าข้าอบคนนั้นเนี่ยหมายถึงว่าในสายของการปฏิบัติพผลผลเนี่ยจุดเริ่มต้นมันคือพระพุทธเจ้าครับแล้วก็แตกสายกันออกไปเรื่อยๆครับคําว่ า, าครอโคนี่คือหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นหลักหรือว่าหมายถึงองค์ย่อยๆที่เราลงมาครับก็คือพระพุทธเจ้าก็หมายถึงว่าทํากับพระพุทธเจ้าหลายองค์หมายถึงว่า แต่และกลุ่มก็วุตถเจ้าต่างองกันมาแต่สมัยก่อน ๆ, ๆนูน่น บ, บางกลุ่มนี้ก็อาจจะทํากับองค์นี้กลุ่มนั้นก็อาจจะทํากับองโน้นอง น, นีองนน้อะไรเงี้ยแล้วแต่แต่เราเชื่อว่าคนที่บาบาลุเนี่ยแต่ชาติใดชาติหนึน่งต้องเคยเจอุัตเจ้ามาบ้างแล้วครับต้องเคยทําคุณกับวัธเจ้ามาบ้างแล้วแล้วก็ไปส่วนที่มาเป็นกลุ่มเดียวกันก็กลุ่มนั้นก็อาจจะไปทํากับุัตเจ้าองคไหนมา แต่หมายถึงว่าทุกกลุ่มไม่ใจ่ว่ามีองค์เดียวก็แต่ต้องเคยเจอทำกับพุทธเจ้ามาแล้วนะปฏิบัติกับพุทธเจ้ามาบ้างแล้วอาจจะพพุทธเจ้าคนละองค์กันแล้วต่อไปก็มาเกิดร่วมกันบ้างในภพชาติแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูล ก, กันมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยกตัวอย่างอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นแล้วก็ หลวงปู่จูมเนี่ยครับในชาติก่อนๆนั้นเนี่ยหลวงปู่เสาก็เป็นเจ้าของบริษัทหลวงปู่ม um> ั่นเป็นผู้จัดการบริษัทหลวงปู่จูมเนี่ยเป็นคนเอาเอาสินค้าจากบริษัทไปขายครับเป็นเป็นเป็นในเป็นผู้กระจายเป็นผู้จัดการสินค้าที่กระจายสินค้าออกไปก็เคยเกิดร่วมชาติกันมา อย่างนี้คนที่มีนิสัยเกื้อกูลเยอะช่วยเหลือเยอะหรือว่าสร้างสายบา ร, รมีไว้เยอะๆกว้างๆนะครับมันจะกลายเป็นการหน่วงตัวเองที่จะเข้าถึงพระนิพพานไหมครับชายใรียนมบเตยุย่งกับคนอื่นเมยโบตยุ่งกับคนอื่นมากพวกนี้ทำให้นั่นช้าเราดีไง ไม่เดินชาเพแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบราารลอรหันต์เร็วในภพชาติกันก่อนนั้นแล้วก็ปฏิบัติมามุ่งสู่ความพ้นทุกข์ในลำพังตัวทัานเองไม่ไปยุ่งกับใครแล้วอยู่ตันโดดพอเกิดมาในชาตินี้ก็บราารลอรหันต์ง่ายเพราะท่านมุ่งสู่ความพ้นทุกข์มาแล้วยังไม่รู้อาหารหันต์ในภพชาตินั้นทจาเป็นต้องยุ่งวุ่นวายพารากับใคร เกิดมาในชาตินี้เกิเลยบรลุง่ายผมมุ่งสู่ความพ้ทุกข์มาแล้วแต่บริวารท่านก็จะน้อยคนมีบริวารมากก็เดชะเลินชาเด่ า, ดายหยวปู่ ม, มัานเนี่ยตามที่เราลบพอสอเอาพอสอลบกันเนี่ยบรลุอนาคามีที่ถ้ำปฏิกาที่ นครนายกที่ตามหนังสือตามมหาบัวนะแล้วก็นักไปจนถึงเวลาที่บรรลุอารหาันต์ที่ที่เชียงใหม่เราเอามารบกันดูนะสิบหกปีสิบหกปีจากอนาคามีมาถึงอรหันต์เนี่ยสิบหกปีนานมากเลยปกติไม่น่าจะได้ขนาดนี้แต่ที่บา ร, รมีท่านมากบริวารมากสร้างมาเยอะมันก็เลยอย่างนี้เนะี่ย ทำให้เนินช้าเราว่าไม่ใช่ว่าเกี่ยวข้องกับบริวารอย่างเดียวแต่ที่ท่านหนีไปนี่ก็เพราะว่าบริวารด้วยเพราะท่านรู้ว่าถ้าท่านอยู่กับบริวารมากๆอย่างเงี้ยจะเนิบช้าทําให้บรรลุอรหันต์ช้าถ้าเลยหนีหนีไปไปปีกวิเวกตามลำพังที่ทางเชียงใหม่แต่หนีไปอยู่ตามวิเวกตลาลำพังที่เชียงใหม่ก็ไม่ลำพังจริงเพราะว่าอุปนิสัยตั้งเดิมก็สอนพวกชาวเขาไปด้วย อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทําให้เดินช้าที่เรามีความรู้สึกว่าท่านเดินช้าก็ไม่ใช่เพราะว่ามีบริวารเยอะอย่างเดียวเป็นบารมีทางทำบริวารเยอะอย่างเดียวคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้เดินช้าคือว่าวัสนาจะเป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นเลศิศมันจะต้องกเก็บเกี่ยวรายละเอียดไว้ได้มากจริงๆเพ่อที่จะเป็นอาจารย์คนได้ ในช่วงเวลาถึงจากอนาคามอีกสิบหกปีเนี่ยท่านเก็บเกี่ยวรายละเอียดได้หมดสิบหกปีเต็มเวลาท่านราเป็นครูบาอาจารย์คนที่แตกชานมากในสมัยนี้ยังรับแต่หลวงปู่มั่นมาจนถึงสมัยนี้ยังไม่มีใค ร, ใครเสมอเหมือนท่านอ ย, อย่างที่เขาบอกว่าหลวงปู่มั่นเป็นคือคือ ตอนแรกปฎถนาพุทธภูมิถูกไหมครับแล้วก็อันดับของท่านก็ก็ก็ไม่ไม่เล่นานานมากแล้วพาวันนที่ท่านละละตรงความปฎถนาตรงนั้นแล้วก็เข้าสูตรบักผลในชาติปัจจุบันตรงเนี้ยครับแสดงว่าการขึ้นมาเป็นเป็นบุคคลในในลิสต์ของการได้ตัดสรูปเป็นพระเจ้าเนี่ยยังไม่ได้จําเป็นต้องถูก พุทธทํานายสําหรับไปถูกไหมครับก็ดูอย่างผูม่านก็ก็ใช่ถูกถูกไหมครับแต่บางคนเนี่ยยังไม่ได้เข้าลิสต์ของของการตัดสินเป็นพระเจ้าเลยแต่ถูกพุทธทํานายไปแล้วอ่าใช่ใชถ้าเป็นแบบนั้นก็คือหมดสิทธิถอนใช่ใชะระหว่างระหว่าถูกพุทธทํานาย กับได้รับการอนุโมทนาจากพระพุทธเจ้านะครับมันมันต่างกันเยอะไหมครับหมายถึงการอนุอโมทนาสมมติว่าเราปาิทนาพุทธภูมิต่อพระพุทธเจ้าต่อหน้าแบบต่อหน้าพระภักของพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้อนุโมทนากับเรานะครับกับพระเจ้าทำนายหรือว่าเราจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าองค์ลึมยาดาคตสองอันนี้มีความหมายเหมือนกันไหมครับหรือว่า ในความรู้สึกของเราเนี่ยนั่ะมันเป็นเนุโมทนาครอเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่คุณความปรารถนาคุณก็ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่อความปรารถนาคุณก็ยังไม่แน่นอนคุณต้อแต่คุ ณ, คณปรารถนาก็ต้องไปยังไว้สร้างบา ร, รมีก่อนครับแต่การนื้อนโมทนาในความในความมีเจตนาดีอย่างงั้นนี่เป็นบุญครับแต่ยังไม่ทํานายให้กับเพราะว่าความปรารถนาคุณเนี่ย มันยังไม่เป็นการแน่ที่ว่าคุณจะต้องสำเร็จได้สมปัตนาแต่ถ้าองค์ตรวจดูแล้วก็เห็นว่ามันจะสาเร็จในสมปัติสนามเมื่รมีที่สร้างมาพอแล้วก็อ <it> นุญาให้เลยครับ <Okay. S 3> มาดูคำถามใหม่ครับนักมาศการอาจารย์ครับเอ่อก็ผมสงสัยนะครับว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าเจอปรินิพานเนี่ยครับแล้วพระอนุนเนี่ย ไม่ได้ส่งขอรัตนาอยู่ต่อนะครับและอย่างเงี้ยท่าในกรณีนี้ถ้ากลับกันเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เงี้ยครับที่ท่านจะละสังขารนะครับแล้วลูกศิษย์เนี่ยรัตนาอยู่ต่อเนี่ยจะได้ไหมครับถ้าเป็นพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์นั้นได้หมดเนีะ ถ, ถ้าปัตตนาจะอยู่โดยอิธิบาทจะอยู่อิสทะมีความปัตตนาที่จะอยู่เพื่อท่าประโยชน์ ประโยชน์ตนท่านเสร็จแล้วทำประโยชน์ท่านไม่ได้ว่ามีความอยู่ปรารถนาเพื่อเกิดกิเลสตนทำประโยชน์องค์ตนติมกิเลสไปแล้วแต่เพื่อจะทำประโยชน์แก่ผู้ที่แก่ประโยชน์ผู้อื่นอย่างเงี้ยทำได้โดยอธิบาตตีพระอาหารหันต์เนี่ยสามารถต่ อ, อยู่ได้เรายกตัว อ, อย่างเพะเอาองค์ที่ทำมรณภาพไปองค์ที่เปนมรณภาพเราก็เนี่ยที่ท่านยัมีที่อยู่เนี่ยผมก็เคยขออยู่ที่เอชื่อท่านบอกว่า ท่านยังไม่มรณะภาพเอาที่มรณะภาพอย่างสัมปูธานี่สัมปูธาเจรุธโมเนี่ยก็อาจารย์เราเนี่ยพระแม่ครบาจารย์เราตอนที่ท่านเนี่ยจะมรณภาพแหละตัวเขียวเล็บเขียวแหละนอนนิ่งเนี่ยพระทั้งหมดก็นั่งล้อมวงกันมดแหละไม่ไม่ไม่กล้าแตะตัวท่านเพราท่านนอนนิ่งนะก็ปล่อยท่าน เก่าคงสิ้์แล้วเขาโทรศัพท์ไปตามเรารีบเรารีบมาด้วยน้ามาเข้ามาขอที่สานขอห่านที่าลขอท่านมีชีวิตอยู่เพื่อโกรดลูกศิษอย่าเพึ่งทิ้งรูกศิษไปใ น, ใ น, ใ, น, ดด ใ, นปในนิมิต่ในปรากฏในนิวิตในความรู้สึกว่าท่านปฏิเสธสายหน้า ครั้งแรกสายหน้าเราก็ตื้ออีกไม่ยอมครั้ที่สองท่านก็สายหน้าเราจําได้เนี่ยในหนังพระเจ้าใ น, ในเรื่องพระอานนต์กับกับพระตเจ้าเนี่ยต้องขอสามครั้งเราก็เลยขอครั้งที่สามตื้อครั้งที่สามท่านนิ่งไม่สายหน้าตามนิมิตภาพนิมิตเราก็เลยว่าไอ้การที่ท่านนิ่งเนี่ยคือตกลงแล้วเราก็เลยก็เลยขอท่านเสมอ ถ้าจะต่อบมาให้นะตอบเาวสองปีสองปีสองรอบเนาะก็ไปขอเ้าที่สามท่านไม่ต่อให้นะท่านบอกว่ามันอย่าเอายึดอย่ายึดสังขารที่เป็นผูุหมดนล้วมันเกวียนที่ผูุหมดนั้นไปไม่ได้แล้วใครเอาทําเป็นที่พึ่งอย่าเอาสังขารของคนแก่เนี่ยเป็นที่พึ่งแนละ้วมันผุหมดแล้วมันเปลียนผูุท่านก็ไม่ยอมรับท่านก็เลยมอาภาพไปอันนี้ตอนนี้สาม อย่างรุ่ตามมหาบัวก็เหมือนกันตอนอันถ้าจำไม่ผิดตนะอนนั้นยุค84มะถ้าจะไปแล้วออกมาเดนมิจฉาบาทแล้วล้มล้มลงไปเลยล้มตั้งสามครั้งเลยบาทกระเด็นเลยเขาก็สร้างเมรุให้ท่านละทางหน้าหน้าวัดพอดีมาเกิดเหตุการณ์วิกฤตเรื่องการเงินของประเทศท่านจะเป็นจะต้องช่วยประป่าช่วยชาติ ทำประปาช่วยชาติดูแล้วก็ไม่มีคนอื่นที่ช่วยได้ต้องท <Allah> ่นเท่านั้นแหละแต่ทำสำเร็จทัานก็เลยมีอยู่ต่อให้โจู่ทั้งเนี่ยวันหน้าปาเป็นนเท่าไหร่90กว่าเนาะเก้าสิบหกเป็นไงสาธุ